ลูกของหมึกสิทธุ่นีตอนลูกของผมอายุประมาณหนึ่งขวบผมอุ้มเข้าไปหาหลวงตาให้เป่าหัวให้เพื่อเป็นสิริมงคลลูกผมก็เหมือนกับผมเมื่อตอนเด็กๆขี่จักรยานยนตคันเล็กๆแทนจักรยานถีบคลุกคลีอยู่กับวัดใกล้พระอาจารย์ทั้งหลายจึงกลายเป็นว่าผมได้ลูกดีคือหนึ่งลูกไม่เกเรเป็นคนที่รักดี เป็นที่รักของผู้ใหญ่พบใครก็ยกมือไหว้ก่อนสามเข้ากับคนได้ง่ายไม่เป็นคนยิงเดี๋ยวนี้ผมว่าลูกชายผมรู้จักพระที่วัดมากกว่าตัวผมเสียอีกชงเข้าพรรษ า, าลูกผมจะใส่บาตรก่อนจึงจะไปโรงเรียนเพราะที่วัดนี้เสร็จเร็วพระเริ่มรับบาตรเวลา6 3โมงครึ่งมีเวลาไปโรงเรียนทันผมจึงกำชับเขาให้ใส่บาตรทุกวันอย่าได้ขาด แต่ก่อนถ้าต้องการไปแต่เช้าก็ให้ใส่บาทหน้าบ้านมีพระผ่านลูกชายผมได้บวชเนที่วัดป่าบ้านตาทให้ย่าได้เห็นผ้าเหลืองส่วนปู่ไม่มีโอกาสได้เห็นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเป็นครั้งแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดจริงๆไม่มีไฟฟ้าอยู่ร้านโล่งๆเขารับฟังเหตุผลที่ให้เขาบวชเพราะหากเลยไปจากนี้แล้วคงไม่มีโอกาส จะต้องติดภาระการเตรียมตัวเข้าหมหนึ่งเข้าไปแล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวมอสองนี่ว่างส่วนมสมเนี่ยไม่รู้ว่าจะต่อมอสีที่ไหนและยังจะต้องกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดสู้กับเขาลำบากต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากกว่าเขาเดี๋ยวนี้ลูกชายของผมชอบหาหนังสือธรรมะและชอบสะสมพระเครื่องต่างๆจัดเก็บไว้ในตู้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ